ย่าจเจริญพรทุกทุกท่านมีใครไม่เคยฟังหลวงพอ่อเทศเลยมีไหมมีไหมยกมือหน่อยขอชมโชมหน่อยไม่เคยฟังหลวงพอ่อนะแล้วก็เคยฟังพระอื่นเทศบ้างไหมหรือไม่เคยเรียนศาสนาพุทธเลยนะ ถ้าไม่เคยเรียนเลยก็น่าตาหนินะเนี่ยเกิดอยู่ในเมืองพุทธแท้ๆเลยแล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปคล้ายๆเรามีของดีมีของวิเศษอยู่ในบ้านเราเราไม่รู้จักเนี่ยน่าเสียดายคนอื่นนะคนประเทศอื่นเนะขาจะอุตส่าห์มาเรียนเลยเขาอยากภาวนาเนี่ยมีคนจีนครูหนึ่งอุตส่าห์มาจากเมืองจีน มาแล้วก็มาหัดภาษาไทยก่อนมรู้ภาษาไทยก็ฟังทําได้ลําบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราเกิดมาเราก็พูดกันรู้เรื่องอยู่แล้วนี่เสียดายถ้าเราละเลยของดีมีอยู่ไม่ได้รับประโยชน์ธรรมะไม่ใช่ของอื่นของไกลนะธรรมะอยู่กับตัวเราที่แหละเรียนเรื่องตัวของเราเอง ถ้าเรารู้จักธรรมะแล้วธรรมะมาสู่ใจเราแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะตกหายไปความชั่วมันก็ตกหายไปเราจะเปลี่ยนตัวเองเคยโศกโกลกมอมแแมมแล้นก็สะอาดหมดจดขึ้นมาเคยหาความสุขไม่ได้เลยดินน้นรนหาความสุขมาตั้งแต่ดเด็กจนโตหาความสุขไม่ได้สักทีแล้มาพอนาใจมันมีความสุขนะ ความสุขอื่นๆเสมอกับความสุขความสงบเพราะธรรมะเนี่ยไม่มีเลยเคยได้ยินไหมบอกว่าความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีคําว่าสันติสันตินัติสันติพลังสุขขังคําว่าสันตินี่คือพระนิพพานนั้นถ้าเราคนเข้าสงสัยเขาถามเราว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลส เมื่อมันสงบจากกิเลสนะก็สงบจากความปรุงแต่งของจิตเมื่อหมดความปรุงแต่งนะก็หมดความยึดถือเมื่อหมดความยึดถือนะก็เป็นอิสระนะสงบอย่างนี้ไม่ใช่สงบแบบมั่งเปล่าสงบกิเลสสงบความปรุงแต่งสงบความอยากความยึดถือสงบจากความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆก็คือกายกับใจของเรานี่เอง เรายึดถือในร่างกายว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายมันแก่ก็เป็นเราแก่ร่างกายเจ็บก็เป็นเราเจ็บร่างกายตายก็เป็นเราตายมันยอมรับไม่ได้เสียดายมันเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งรู้ร่างกายนี้คือตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเลยเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยถ้าใจมันเข้าใจธรรมะถึงระดับที่มัเห็นตัวทุกข์ รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะกายนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไรนะเวลามันแก่คือตัวทุกข์มันแก่ก็ชัางมันสิตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่ตัวทุกข์มันเจ็บก็สมน้ำหน้ามันนะตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะใจมันจะเปลี่ยนไปดังนั้นอย่างเวลาพ ร, าารนะอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเวลาท่านจะนิพพานนะท่านร่าเริงไม่เหมือนคนทั่วไป ของพวกเรานะีความตายนะคือความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียกระทั่งความเป็นพลเมืองใช่ไหมเลิกเป็นพลเมืองละเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมีทรัพย์สิสนเงินทองมีอะไรไม่มีเหลือเลยลูกเมียรักแค่ไหนนะเดี๋ยวอาจจะไปเป็นเมียคนอื่นละเพราะฉะนั้นความตายของพวกเราเนี่ยเป็นความสูญเสียแต่ความตายของพระอรหันต์ท่านไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียท่านรู้สึกว่าตัวทุกข์มันก็เราจะแตก เงินเวลาจะตึงเวลาตายเนี่ยท่านร่าเริงใจจะผ่องใสมากกว่าเวลาปกติซะอีกคล้ายๆภาระเนี่ยภาระที่หนักหนาสาหัสกำลังจะสิ้นไปแล้วพวกเรารู้สึกไมมร่างกายมีเป็นภาระมากเรารับภาระอันนี้มาตั้งแต่เกิดนะเราไม่รู้หรอกเราชินกับการเป็นทาต เ, เป็นทาตในร่างกายนี้ทุกวันเนี่ยมาตื่นมาก็าต้องไปอาบน้ำ ไปทำความสะอาดมันเป็นภาระพามันไปอือไปฉีนะ่ไปหาข้าวให้มันกินไม่สบายต้องดูแลรักษาพาไปหาหมอต้องมีเสื้อผ้าให้มันใสนะ่ต้องดูแลมันสารพัดเลยทั้งวันทั้งวันนะเต็มไปด้วยภาระอย่างผู้หญิงก็ภาระเยอะใหญ่กลัวมันไม่สวยนะวันวันบางคนเหมือนนกหงส์หยกนะคอยส่องกระจกทั้งวันนะรู้จักนกหงส์หยกไหม ใครเคยเป็นบ้างแบบน้มหงกยกนะว่างๆก็กวักตลับขึ้นมานะส่องสหน่อยหนึ่งแต้มอะไรชนิดสบายใจเนะนี่ยภาระทั้งหมดเลยนะมีภาระในร่างกายมากมายแต่เราไม่รู้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวกระหายน้ำเดี๋ยวปวดออปวดฉีน่นานๆก็ป่วยหนักๆสักทีในสุดท้ายก็ป่วยหนักๆแล้วก็ตายไป ก็เป็นภาระก็เป็นภาระให้คนอื่นต่อไปเอาไปเผาเอาไปฝังเนี่ยเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้ครณพระเจ้าสอนให้เรามารู้สึกมาเรียนรู้ร่างกายนี้เป็นตัวภาระนะเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เราเคยคิดหรอกร่างกายนี้เราดูแลมันให้ดีแค่ไหนถึงวันหนึ่งมันก็ทรยศเหมือนเราเลี้ยงคนไว้คนนะเลี้ยงลูกน้องไว้เลี้ยงอย่างดีเลยประครบประงมดูแลอย่างดี อยู่ไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมจะถึงวันหนึ่งมันทรยศเรามันทิ้งเราไปมันไม่อยู่กับเราจริงร่างกายนี้วันหนึ่งก็จะทรยศต่อพวกเราทุกคนเราดูแลแทบตายเลี้ยงมันมาความมันจะโตขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายนะผ่านความทุกข์ผ่านความยากแค้นลำเคยนมาแสนสาหัสเยอะแยเลยแต่ว่าถึงวันหนึ่งมันจะทิ้งเราไปก่อนจะทิ้งก็ทาความเจ็บช้าน้าใจ เช่นเจ็บเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตีนกาขึ้นเวลาตีนกาขึ้นจําได้ไหมตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกยังไงสดชื่นไหมภูมิใจไหมจําผมงอกเส้นแรกได้ไหมเนี่ยมันแกล้งเรานะอุตสาหดูแลมันสุดท้ายมันก็ทําความช้ําใจให้เราทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็เอาหนักๆสุดท้ายก็ทิ้งเราหักหลังเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันนะเราก็จะรักมันมาก รักมากก็เสียดายร่างกายจะแก่ก็เสียดายร่างกายจะเจ็บก็เสียดายร่างกายจะตายก็ เ, เสียดายแต่ถ้าเราหัดเจริญสติเจ ร, ริญปัญญาเรามีความรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆร่างกายหายใจออก ร, ร, ähnlich, รู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ อย่างเราพวกเรานั่งนั่งนั่งนิ่งๆสักพักหนึ่งเนะี่ยมันจะปวดมันจะเมื่อยนะนี่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นเดินได้ก็เสียมารยาทฟังเทศแล้วลุกขึ้นบิดขี้เกียจเลยนะเต้นโยคะอะไรตอนนี้น่าเกลียดเราก็ใช้วิธีขยับขยับเอวบ้างขยับไหล่บ้างไม่ได้นั่งนิ่งๆหรอกนั่งขยุกขยกกขยุกขยิ ก, ก, ยกตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ เนี่ยที่ผ่านมามันก็ทุกนะมันทุกมาแต่ไหนแต่ไ RIGHT? รไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะใจไปอยู่ที่อื่นเราสนใจคนอื่นเราสนใจสิ่งอื่นเราไม่เคยสนใจร่างกายของตัวเองยิ่งจิตใจยิ่งไม่สนใจใหญ่นะค่อยๆฟังไปเอาเรื่องร่างกายก่อนร่างกายของเราตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้ร่างกายนี้จะยืนหรือจะเดินหรือจะนั่งหรือจะนอนถ้าเราจะคอยรู้เราก็รู้ได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะรู้ปนะันความยากลำบากมันมีนิดเดียวคือไม่สนใจถ้าเราคอยสนใจรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆไม่นานเราจะเห็นทุกข์รู้สึกไหมว่าร่างกายมันมีความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะนะรู้สึกไหมอยากเห็นทุกข์ที่เร็วกว่านั้นไหมลองหายใจเข้าหายใจเข้ายาวที่สุดเลยแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์หายใจไปสุขหรือทุกข์ อาหายใจออกหายใจออกแล้วรู้สึกสุขั้มออกไปเรื่อยๆนะสุขหรือทุกข์ล่ะที่จริงแล้วเราหายใจออกนะก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเราเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนหรืออิริยาบถย่อยกระดุกกระดิกกระยุกกระยิกอะไรเนะี้ยก็เพื่อแก้ทุกข์ความทุกข์เนียเกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลา เกิดมาตั้งแต่เกิดเลยมีร่างกายอยู่ก็มีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดตอนเด็กๆเล็กๆใช่ไหมเดี๋ยวก็หิวนมหิวนมก็ร้องเรียกแม่มาป้อนเดี๋ยวก็ฉี่ราดออกมาก็ทุกข์อีกละก็เรียกแม่มาเช็ดนะเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรต่อไรเนื้อร่างกายมันมีแต่ความทุกข์มาตลอดแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่เคยสนใจที่จะรู้มันเราก็ว่ามันของดีเพราะต่อไปนี้นะสนใจในร่างกายตัวเองบ้าง อย่าสนใจแค่ว่ามันสวยไม่สวยนะดูให้ลึกซึ้งมากกว่าว่าตอนนี้สวยหรือไม่สวยผมยุ่งเกินไปไหมอะไรเงี้ย น, นั่นตื้นเกินไปดูเรามาให้เห็นความจริงเลยมันมีแต่ก้อนทุกขน์นะถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปใจจะคลายความยึดถือในร่างกายออกไปมันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่คิดแล้วละ่นะแต่มันคือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปจะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยจิตใจจะไม่หวั่นไหว เพราะตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายจชหวัน่นไหทําไมเนี่คยค่อยๆฝึกไปรู้สึกในร่างกายของตัวเองเห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งไปแล้วก็ดูไปเรื่อยมันมีความทุกข์ไล่ขยี้เอาความทุกข์เหมือนมาล่าเนื้อวิ่งตามตลอดเวลานะวิ่งตามตลอดเวลาถ้าเราเคลื่อนไหวไม่ได้นะความทุกข์จะขย่ําเราตายเลย งั้นอย่างเวลาไม่สบายบางคนกระดุกระดิกไม่ได้ทุกข์มากในที่สุดตัวก็เน่านอนเฉยๆก็เน่านะอยู่ไม่ได้ทุกข์เนี่ยคอยรู้สึกนะเราจะได้ไม่หลงไม่งั้นเราก็จะหลงเพลินในร่างกายมากไปหลงว่ามันดีมันสวยมันงามมันหนุ่มมันสาวมันจะไม่รู้จากแก่จากเจ็บจากตายมันลืมเพราะเราไม่คิดว่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันก็ตะกละตะกรามหิวมาก อยากนอนอยากนี่ไปหมดเลยแต่พอเรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายนะทุกอย่างที่ดิ้นมาแทบตายนะก็ต้องให้คนอื่นไปเนีใจมันจะคลายคลายความยึดออกไปเลยอนดะ้ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์หรอกยึดก็เราทุกข์งั้นเริ่มต้นนะหัคารู้สึกในร่างกายบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกในร่างกายคือใจลอยเวลาเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ไม่รู้สึก เมื่เรารู้สึกตัวเรื่อยๆหาน ร, รู้สึกไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นธรรมะเห็นของจริงธรรมะคือความจริงนะเราจะเห็นสัจจะเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาว่ากายนี้คือก้อนทุกขนะ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ต้องให้ใครมาโฆษณาเลยเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่หลวงพ่อมาพูดเพื่อทําลายขวัญพวกเรา นะทำให้ร่างกายที่แสนดีของเรากลายเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่มันทุกข์อยู่แล้วบางคนนะไม่เคยภาวนาไปตรวจร่างกายประจำปีเจอเป็นมะเร็งนะเฉาเลยนะทุกข์มากไม่เหมือนคนภาวนาเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่สติไม่แตกสติไม่แตกนะยังมีสติอยู่ ใจตั้งมั่นเด่นดวงนะเห็นร่างกายมันป่วยใจไม่ป่วยไปให้คีโมมานะั่นยังดูสดชื่นอยู่เลยนะก็ต้องรักษาไปเป็นหน้าที่ดูแลมันก็ดูแลไปเอาร่างกายไว้ถ้ามันยังไม่ยังถึงเวลาตายก็รักษามันไว้ก่อนนะเอาไว้ทําความดีไว้พัฒนาใจของเราเนะี่ยถ้าเรารู้สึกร่างกายเรื่อยๆต่อไปเวลามันเจ็บมันจะตายมันจะอะไรไม่หวั่นไหวอนะมันเรื่องธรรมดา ตู้วันนี้คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะตายด้วยโรคมะเร็งเยอะที่สุดหลวงพ่อไม่กล้าพูดว่าคนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดเพราะหลวงพ่อไม่รู้สถิติหรอกแต่ดูพวกลูกศิษย์ที่ตายเนี่ยไม่ค่อยตายด้วยวิธีอื่นหรอกส่วนมากเป็นมะเร็งตายกันแต่พวกที่ภาวนาเป็นนะเป็นมะเร็งตายอย่างสง่างามไม่ใช่ตายแบบทุเล็ดทุเล็ดนะตายแบบทุลนทุไล่เนี่ยตายอย่างสง่างามบางคนตายอย่างดีมากๆเลยนะ จิตใจเด่นดวงมีความสุขเอาตัวรอดได้อยู่ที่ฝึกเอาอย่าใจลอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆหรือวันหนึ่งก็เป็นนี่สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราไม่ได้มีแต่ร่างกายยัมีจิตใจด้วยเราก็ต้องหัดรู้จักจิตใจของเราเหมือนกันตลอดชีวิตเราเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ตั้งแต่ไหนแต่ไร ใจนั้นมันจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายที่ดีหรืออยากเหยียบพ้นจากสัมผัสทางกายที่ไม่ดีเนี่ยจะมีความอยากอยากเห็นรูปที่ดีอยากจะไม่เห็นรูปที่ไม่ดีอยากได้ยินเสียงที่ชอบใจอยากไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจมีความอยากเกิดขึ้น อยากได้กลิ่นที่พอใจอยากจะพ้นจากกลิ่นที่ไม่พอใจอยากได้รสที่พอใจอยากจะพ้นจากรสที่ไม่พอใจอยากได้สัมผัสร่างกายที่พอใจอยากจะพ้นสัมผัสที่ไม่พอใจอยากได้อารมณ์ทางใจที่มีความสุขอยากจะหนีอารมณ์ทางใจที่มีความทุกข์ใจที่มีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลา เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องราวสนุกสนานเพลิดเพลินเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจก็จะมีความดิ้นรนตามมาเสมอเะฉะนั้นะถ้าเราหัดต่อนาเนี่ยถ้าใจเราอยากขึ้นมาเรารู้ทันใจเราอยากขึ้นมาเรารู้ทันทุกคนรู้ได้มันเหมือนร่างกายอย่างเงี้ยหายใจออกเราจะรู้เราก็รู้ได้หายใจเข้าเราก็รู้ได้แต่เราไม่สนใจจิตใจนี่ก็เหมือนกัน จิตใจมีความอยากขึ้นมาเราอยากรู้เราก็รู้ได้จิตใจไม่มีความอยากเราก็รู้ได้จิตใจจะรอบจะโกรธจะหลงจิตใจจะสุขจะทุกข์เราสนใจเราก็รู้ได้ส่วนใหญ่ไม่สนใจเราสนใจของข้างนอกเราสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงที่ได้ยินสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายสนใจเรื่องราวที่เราคิด เราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองอย่างเวลาเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราเห็นอะไรเราเห็นคนปาดหน้าแต่ใจโกรธเราไม่สนใจที่จะรู้ว่าใจกำลังโกรธเราสนใจแต่ว่าไอ้คนนี้แหละปาดเรามันหนีไปโน่นละเดี๋ยวจะต้องไปปาดคืนถ้าไปปาดคืนไม่ทันขอะกดแตรดา่าเคยไหมเคยกดแตรด่าไหมบางคนดา่าจริงๆนะรถตัองก็ติดแอร์ ไมคันหน้าป่าเราโวยกโกรธ ด, ด่าใหญ่เลยใครได้ยินตัวเองก็ได้ยินนะคนที่นั่งข้างๆก็ได้ยินไอ้คนนอนไม่ได้ยินหรอกเนี่เราสนใจคนอื่นเราไม่สนใจจิตใจของตัวเองดังนั้นจิตใจเรากําลังกโกรธเราไม่สนใจเราสนใจคนที่ทําให้เรากโกรธเวลาเรามีความรักหรือเราอยากได้อะไรสักอย่างเดินศูนย์การค้าเห็นมือถือออกมาใหม่ๆอยากได้ เราไม่สนใจว่าใจกำลังอยากเราสนใจแต่ว่าไอ้มือถือตัวนี้ออกใหม่นะราคาเท่าไรทำอะไรได้บ้างอะไรี้นะถ้าซื้อไปเราจะเท่อย่างเงี้ยเราสนใจอย่างนี้สนใจมือถือมีสินค้าอะไรเราก็อยากได้เราก็สนใจแต่สินค้านั้นเราไม่สนใจว่าใจกำลังอยากได้ถ้าเราหันมาย้อนมาใส่ใจจิตใจของเราเราก็สามารถเห็นได้ว่าตอนนี้กำลังโลภอยู่หรือตอนนี้กาลังโกรธอยู่ถ้าสนใจเราก็รู้ได้ นี่เวลาเราโกรธเราไม่สนใจเรามัวแต่เป็นสนใจสิ่งที่ทําให้เราโกรธนะบางคนโกรธหมานะคนนั้นก็คือหลวงพ่อเคยโกรธหมาตอนเป็นโยมนะีบ้านมันอยู่กรุงเทพนะบ้านมันอยู่ใกล้ๆขนาดกลานะงคืนนะมีหมาข้างบ้านนะกลางวันนะัมันจะนอนเงียบเลยนะกลางคืนมันจะลุกขึ้นมาเห่านะแม้เรานีิแค้นมากเลยเพราะกลางวันเราทํางานกลางคืนเราจะนอนนะเกลียดมันมากเลย วันๆเนี่ยนัอยจะคอยดูหมาตัวนี้นหมามันอยู่ที่ไหนนักเกลียดมันเนี่ยเราเกลียดอะไรมากนะเราก็จะสนใจสิ่งนั้นแล้วเวลาที่เรารักอะไรมากเราก็จะสนใจสิ่งนั้นเป็นไหมเวลาเรารักใครเราก็จะสนใจถ้าสมัยโบราณมีสำนวนนะไม่เห็นหน้าเจ้านะไปเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีมีสำนวนอย่างนี้เดี๋ยวนี้คงไม่มีหลังคาบ้านบางคนอยู่แฟลตอยู่คอนโะด เเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสเราไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองต<า>่อ <oui. S 2> ไปนี้แค่ความรู้สึกของตัวเองตาเรามองเห็นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันหูได้ยินเสียงมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเรารู้ทันเช่นได้ยินเสียงอันนี้เพราะเป็นเพลงที่เพราะมากเลยฟังแล้วอินฟังแล้วชอบรู้ว่าชอบ นะไม่ต้องมารยาถึงขนาดฝั่งแล้วต้องอุเบกขาตลอดนะหรือเราเห็นคนคนหนึ่งมเดินมาเนี้ยศัตรูเราเห็นแล้วเกลียดไม่ต้องแกล้งทําเป็นคนดีบอกว่เธอเป็นยังไงนะพูดกับเขาอย่างดีเลยถ้าในที่ใจเนี้ยเกลียดอยากแช่งให้มันตกกไดตายไปเลยนะให้รู้ทันใจของตัวเองไม่ต้องมารยาทําเป็นคนดีอันนี้หมายถึงทางจิตใจนะแต่ทางกายทางวาจาต้องมีมารยาทนะไม่ใช่นักปฏิบัติมารยาทสา ตามใจกิเลสโกรธจิตมันกโนกรธขึ้นมามีกิเลสขึ้นมาก็แสดงออกไม่ใช่เราควบคุมกายควบคุมวาจาของเราด้วยศีลหมายถึงว่าถึงใจจะมีกิเลสแต่ไม่ให้กายวาจาของเราไปรุกรานใครนะต้องถือหลักอันนี้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นศีลจําเป็นนะในขั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะฉะั้นเราจะไม่เก็บกดจิตใจจะกโกรธก็ได้แต่รู้ว่าโกรธนะแต่ว่าถ้ามันโกรธแรง มันจะลดออกไปทางกายทางวาจาจะไปว่าเขาจะไปตีเขาอันนี้ผิดศีลไม่ทําำเนี่ยศีลเนี่ยใช้ตรงนี้เองใช้มาควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ให้ทําผิดเพราะว่ากิเลสมันสั่งส่วนสร้างใจนะโกรธได้โลภก็ได้หลงก็ได้ฟุ้สร้างก็ได้โกรธดูดก็ได้ง่ายไหมแล้วหลวงพอสอนกนาารรมฐานทุกคนตอ้องสงบอะไรอยากอย่างนั้นที่จะสงบ แต่บอกว่าฟุ้งซ่านก็ได้ความเราสบายใจไหมไม่ใช่หลวงพ่ อ, อคุณเด็คเราพเจ้สอนอยู่นะในขั้นข อ, ขอนนาการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนเลยคือพระพิสุทธะไหลจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านไม่ใช่ว่าพิสุทธาไหลห้ามฟุ้งซ่านให่ได้สอนอย่างนั้นนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตสงบก็รู้ว่าสงบจิตสุขสุขเนี่ยก็รู้ว่าสุขจิตมีความโลภ เพรว่ามีความลอกจิตไม่ลอกเพราะรู vraag, ไม่ลอกจิตโกรธรู้ว่โกรธจิตไม่โกรธกพราะรูไม่โกรธรู้อย่าง ท, ที่เป็นการที่รู้อย่างที่เป็นไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะให้มันเป็นอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่มันเดิมเปอยู่เป็นเรื่องยาเช่นใจสงบใจฟุกสร้างอยากให้สงบเนี่ยยากใจกําล <ira> <ương> ังโกรธอยู <ương> ่จะสั่งบอกอยากโกรธเนี่ยยากแต่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธที่ยากอะไรให้อัปรู้อัปรู้ความรู้สึกของตัวเอ เราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแตลอดเวล า, เ, า, าเห็นเมื่อตามองเห็นเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเห็นเมื่อจมูกได้กลิ่นเห็นเมืเ่อลิ้นจะทบลเห็นเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสทางกายเช่ น, นเรากำลังนั่งกินข้าวาอยู่ตามร้านขายข้าวแกงอนะไรนั้นนะนั่งอยู่มีอะไรนุ่มๆมาสีขาเร า, เ, า, เ, วว า, า, ราเราเป็นคนชอบมาสัมผัสเห็นได้ว่ามาก็ยิ้มวานในพุเราอกเดซ์ทัฟทายจะให้อาหารด้วยนะ มันีคิดเรื่อทั้งตัวเลยเนี่ยใจเราเกลี่ยนทีแรกมีสิ่งมากระทบแต่อย่างเนี้ยเป็ดมา้าใจเราเคยชอบเรายินดีเราพอใจพอตาเราบอกแก่นี่มป็ดมา้าคิดเรื่งโศกหบน้า เ, เหลืองเยอะเลยแล้วมันสีเราเนี่ยโทสะมันขึ้นเกล็ดมันไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้อย่ากให้ไปอยู่ที่อื่นเกล็หมาไม่พอเกล็ดเจ้าของร้านด้วยนะว่าปล่อยม้ามาเพ่นพ่านเนี่ยโทสะมันขึ้น ให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้มีโทสะใจมีความรักให้รู้ว่ารักใจมีความเกลียดให้รู้ว่าเกลียดใจมีความสุครู้ว่าสุขใจมีความทุกรู้ว่าทุกรู้ไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่อวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีก็เป็นของชั่วคราวความรอบความโกรธความหลงก็เป็นของชั่วคราว ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ยอมรับความจริงนะว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวเนี่ยเราไม่ยอมรับหรอกนั้นเราก็อยากได้ความสุขถาวรนะอยากจะพ้นทุกข์ถาวรเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะมีความสุขทัทีพ้นจากปัญหาทั้งปวงมีแต่ความสุขถาวรไม่มีหรอกอย่างบางคนไปซื้อบ้านซื้อบ้านส่งบ้านแทบตายนะคล้ายๆกันเปรียบเทียบซื้อบ้านมานะลงทุนอดอยากตั้งนานเนะี่ยไปผ่อนบ้าน หวังว่ามีบ้านแล้วจะมีความสุขต่อไป น, นี้จะไม่มีภาระเรื่องที่อยู่อาศัยล้วส่งบ้านไปสิบปียี่สิบปีใช่ไหมอ่ามันได้เป็นบ้านของเราแล้วบ้านอะไรบ้านประเภทไหนบ้านที่ผูพังเพราะว่าซื้อมานานแล้วผ่อนมานานแล้วภาระไม่หมดละภาระจากการผ่อนมาเป็นภาระจากการซ่อมเนี่ยหรือว่าเราทํา บ, บ้านเราไว้ดีเลยนะแล้วก็รถไฟฟ้าก็ามาทางด่วนก็ามาอะไรเนี้ยนะเนี่ยใจใจเราก็ทุกข์นะ แกมันจะทุกข์มันยอมรับไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความทุกข์เนี่ยวิ่งเข้ามาชนใจเราทั้งวันเลยวิ่งเข้ามาทั้งวันเลยถ้าเรารู้ความจริงนะว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเราจะอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวไม้เราจะหิวความสุขหิวความสุขเวลาหิวความสุขทําไง วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริมรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปหาอารมณ์ทางใจที่เพลิดเพลินเนี่ยอยากได้ความสุขก็ขวิ่งเบ่เนี่ยแต่ความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพอหายไปก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาพอความทุกข์มาก็วิ่งอีกแล้วนะเกิดความหิวของในใจขึ้นมามีความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้เรื่องราวทางใจที่มันมีความสุขอีกเหนื่อยแทบตายเลยนะ เพื่อจะได้ความสุขมาแล้วความสุขก็อยู่แว บ, บเดียวแล้วก็หนีไปอีกนะเหมือนคล้ายๆคนเปียแชร์ได้นะคนเล่นแชร์เล่นแชร์เนี่ยมีความสุขตอนเปียแชร์ได้หรือบางคนเป็นมือสุดท้ายมีเงินเยอะพวกนี้มีความทุกข์ยาวนานมากเลยก็คือไม่รู้ว่าคนอื่นจะเบี้ยวหรือเปล่านะนะนะเวลาได้เงินมามีความสุขนะแต่ก่อนจะได้มาก็ทุกนะยิ่งไปเปียมาเร็วนะ ทุกนานมากเลยเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นสักทีนะภพชาติของการส่งแชร์เนะี่ยเมื่อไหร่จะหมดไมนะ่ความสุขนั้นสั้นๆความสุขอยู่ไม่นานนะงั้นใจที่หิวความสุขนะมันจะต้องดิ้นตลอดเวลาเลยเพราะความสุขมันสั้นถ้านะเราถ้ามาหัดภาวนานะมาหัดสังเกตใจของเราใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้เติมลงไปอีกใจมีความดีก็รู้ใจโลบโกรธหลงก็รู้รู้ไปเพื่ออะไร รู้ไปเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความดีความชั่วก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวทุกสิ่งในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าใจมันเห็นได้อย่างนี้นะความหิวของใจจะลดลงร่างกายเราหิวข้าววันหนึ่ง2อสาครั้ง 3.. 4... มี่ครั้งแล้วแต่ความตกะกราของเรานะหรือความเคยชินของเราอย่างพระก็จะหิวข้าววันละครั้งก็ชิน อ่าโยมก็หิวหลายครั้งแต่วันหนึงอย่างหนึ่งนะอย่างมากก็หิว 3-4 สี่ครั้งแต่ใจนี่สิหิวตลอดเวลาใจที่มีความอยากนะอยากได้รูปคืออยากกินอารมณ์ทางตาอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รส อ, อยากได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกอะไรที่สนุกสนานนะใจนี้มีความหิวตลอดเวลานะเพราะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มในอารมณ์ที่เป็นสุข เราค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นลงไปเรื่อยนะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มันมีความอยากเกิดขึ้นใจก็มีความทุกข์ได้สนองความอยากได้ความสุขขึ้นมาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจก็อยากอีกละนะเนี่ยเฝ้าดูนะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราดิ้นรนสแสวงหาเนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นภาระกับจิตใจของเรามากเลยไม่ว่าเราจะรักอะไรเราจะชอบอะไรนะ สิ่งนั้นนําความทุกข์มาให้เราพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกมีบัวก็ทุกข์เพราะบัวมีนาก็ทุกข์เพราะนาอะไรเงี้ยมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นนะอะเพราะอะไรเพราะเรารักมันเดี๋ยวที่ใจนะใจเนี่ยไปผูกพันแล้วมันไม่เต็มมันไม่หิมไม่นานมันก็สลายไปมันก็แตกดับไปมันสูญเสียไปหรือมันยังไม่ทันหายไปเราก็กลัวมันหายไปอย่างเรามีรถเนี่ยห่วงไหมมีรถยนต์ห่วงไห ม, ม มีรถก็ห่วงรถใช่ไหมมีบ้านก็ห่วงบ้านบางคนนะซื้อบ้านมาแล้วไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้าบ้านแต่เดิมไม่มีบ้านของตัวเองนะอย่างไปเที่ยวได้ทุกวันนี้กลัวขโมยมางัดบ้านไปไหนไม่ได้มีรถก็นอนไม่หลับกลัวคนมางัดรถนอนแล้วค่อยสะดุ้งสะดุ้งเรื่อยๆน่าสงสารนะมีนาเข ก, ก็ทุกข์เพราะนามีวัวเขก็ทุกข์เพราะวัวที่ไรจ้บอกของเรามีอะไรนะ เรายึดถืออะไรเรารักอะไรเราก็ทุกข์เนั่นแหละเนี่เราค่อยๆมาเรียนรู้ทันจิตใจของเรามีความอยากเมื่อไหร่มีความยึดเมื่อไหร่มีความรักค่อยพอใจในสิ่งใดความทุกข์ก็ตามมาแล้วละเพราะสิ่งนั้นไม่มีก็อยากให้มียังไม่มีก็ดิ้นรนจะให้มีระหว่างดิ้นรนก็ทุกข์ละนะตอนอยากให้มีก็ทุกข์ละตอนดิ้นรนจะให้มีก็ทุกข์ละตอนมันได้มากลัวมันหายไปก็ทุกข์อีกละมีเพราะความวุ่นใจนะ งั้นมีเท่าที่จําเป็นมีแล้วเป็นนายมันถ้าเป็นมีแล้วเป็นทาตมันนะเหนื่อยตายเลยทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดเลยเนื้อหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไหมต่อไปเราจะรู้นะว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวแล้วความดิ้นรนมันจะลดลงมันจะดิ้นรนทําไมมันดิ้นรนก็อยากได้ความสุขขาวบอลดิ้นรนอยากหนีความทุกข์เพราะความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวเหมือนฝันไปชั่วคราวเท่านั้นเอง เมื่อเราฝันอยู่ทุกวันนี้มีชีวิตเหมือนฝันอยู่นะพุทธเจ้าท่านก็เคยสอนมากขัน5้ามันเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดเหมือนภาพลวงตามันมีมีเหมือนฝันฝันอยู่ไม่นานมันก็จากไปทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าเราจะรักมันแค่ไหนวันหนึ่งมันก็ไปไม่ว่าเราจะเกลียดมันแค่ไหนวันหนึ่งมันก็ไปไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนมันก็ไปไม่ว่ามันชั่วแค่ไหนมันก็ไป งั้นใจเนี่ยพี่เห็นความจริงเนี่ยจะเข้าสู่ความเป็นกลางเจอความทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวเจอความสุขก็ไม่หวั่นไหวเจอทุกข์หวั่นไหวก็คือเกลียดมันเจอสุขหวั่นไหวก็คือชอบมันแล้วก็จะดิ้นรนจิตที่ดิ้นรนแสวงหานําความทุกข์มาให้มากมายเลยจิตที่ฉลาดขึ้นมารู้ความจริงเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางต่อความสุขเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลเป็นกลางต่ออกุศล เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะมีปัญญานะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญาเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตจะหมดการดิ้นรนหมดการแสวงหาหมดความหิวโหยนะถ้าปัญญามากพอนะจิตจะปล่อยวางนะความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนีนะ้แล้วไม่จะพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์อย่างนี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่โลกอุดมกติ พวกเราชาวพุทธทุกคนมีโอกาสที่จะได้สัมผัสสิ่งที่สูงที่สุดอย่างนี้คือสันตินะสันติหรือพระนิพพานสภาวะที่ใจหมดความอยากหมดความหิวโหยหมดความดิ้นรนหมดความทุกขนะ์สภาวะอย่างนี้เกิดจากปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วก็ไปนะยึดถือเอาไว้ไม่ได้ เนื้อใจถ้าเข้าใจความจริงตรงนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่หวั่นไหวเราจะต้องพลัดพลาดจากคนรักพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ไม่รักเป็นกลาวเป็นกล่าวๆมันก็เรื่องธรรมดาอะไรอะไรก็ธรรมดาหมดเลยถ้าใจเราเข้าถึงธรรมดาได้นะใจมันจะไม่ดิ้นรน นะใจจะไม่ดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนหมดความหอดอยากหิวโหวยนะีใจจะสัมผัสพระนิพพานมันจะสงบสุขมันมีสันติสุขเพราะตัณหาคือความอยากนั่นแหละทำให้ใจมันดิน้นเพราะนั้นนิพพานนะบางทีท่านก็ใช้คําว่าวิรากะสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานเป็นอะไรนิพพานมีลักษณะคือสันตินิพพานเป็นความที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยาก ซิ่งความอยากไม่ใช่เพราะสนองความอยากสาเร็จแล้วนะการสนองความอยากนั้นดับความอยากได้ชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าการที่เจริญปัญญาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมากเข้ามากเข้านะถึงวันหนึ่งใจจะหมดความอยากเมื่อใจจะหมดความอยากใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงพวกเราพิสูจน์ง่ายๆไปสังเกตดูตัวเองต่อไปนี้เวลาที่ใจมีความอยากเกิดขึ้น มีความสุขหรือมีความทุกข์ตอบคำถามตัวนี้กับตัวเองให้ได้ก่อนทุกคราวที่เกิดความอยากนะมีความสุขหรือมีความทุกข์ไปดูของจริงนะอยากคิดเอาถ้าคิดเอาก็บอกมีความทุกข์แล้วก็ทุกข์ต่อไปนะเพราะไม่เห็นจริงดูเข้าไปให้เห็นจริงเลยเราจะรู้เลยมีความอยากทีไนมีความทุกข์ทุกทีเลยแล้วคิดดูถ้าใจไม่มีความอยากใจจะพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงนะมันกลับข้างกันนะ มีสิ่งซึ่งเป็นเหตุของทุกข์ได้ก็มีสิ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้ผลทุกข์ได้เรามีสติมีปัญญานี่แหละเรียนรู้ลงมาในกายในใจนะจนปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดนะรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจความยึดถืออะไรก็ไม่เกิดขึ้นนะไม่ได้มีความอยากเกิดขึ้ น, นจะมีไม่มีไม่ทุกขนะ์ใจมันจะพ้นจากความทุกข์จะเข้าถึงความสงบสุข เปความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเปนความสงบสุขที่เอาเงินซื้อไม่ได้บางคนให้ความสําคัญกับเงินมากเลยเงินมันก็มีประโยชน์นะเอาไว้ทําดีก็ได้เอาไว้ทําชั่วก็ได้เหมือนกันนะําความทุกข์มาให้เราก็ได้นําความสุขมาให้ในทางโลกๆ ก, ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกนะเพราะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวแต่ใจที่เข้าถึงปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนี้อย่างท่องแท้นะ ใจจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงมีความสุขมหาศาลนะหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นอยู่ก็เป็นสุขทาอะไรใกเมีความสุขแล้วใจดวงนี้เป็นใจที่ไม่ต้องคอยระวังรักษาอีกต่อไปมันแปลกตรงนี้อย่างใจของพวกเราไม่คอยระวังรักษานะจะชั่วทันทีเลยนะเพราะมันยังมีความชั่วมีเชื้อของความชั่วซ่อนอยู่มีจิตใต้สำนึกที่ชั่วร้ายยังมีอยู่เยอะ ไปหัดภาวนาหัดรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดนี่เรื่องจริงอย่างบางคนนะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนวิเศษนักหนานะมหัดภาวนาพักเดียวรู้เลยว่าตัวเองนี่แย่กว่าที่คิดใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างนะพวกที่เรียนจากหลวงพ่อยกมือโชว์ตัวหนะ่รู้สึกไหมมันแย่กว่าที่คิดนะมันไม่ใช่ดีวิเศษนักหรอกแต่พอเรารู้ตัวว่ามันแย่นะมันพัฒนาได้ถ้ามันไม่รู้ว่าแย่คล้ายๆเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งนะ เราบันตายนะรู้ปุ๊บปั๊บก็ตายเลยแต่อย่างเนี้ยเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้มันซ่อนอยู่เรารู้มันไม่ใช่ตัวดีหรอกมัวแต่ไปเพ่งเล็งว่าคนอื่นเขาไม่ดีนะลืมดูไอ้ตัวไม่ดีในตัวเองพอเห็นได้ตัวนี้นะมันจะเมตตาคนอื่นนะนจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นด้วยรนอื่นมันก็แย่เหมือนเราแหละเราก็แย่เหมือนกับเขาเราไม่ได้ดีกับเขาทุกวันนี้ที่เราไปโกรธคนอื่นนะว่าเขาทําไม่ดีเพราะเราคิดว่าเราดีกว่าเขาถ้ามาหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองจะรู้่ คนชั่วเท่าเรายากนะเพราะว่าใจเนี่ยปรุงความชั่วแทบจะตลอดเวลาเลยนะใจลอยก็ชั่วแล้วนะใจลอยคือใจฟุ้งซ่านมีโมหะวันหนึ่งใจลอยกี่ครั้งใครใจลอยหนึ่งครั้งมีไหมอย่ามาใส่หน้าเลยบางคนนะใจลอยหนึ่งครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะใจลอยหนึ่งครั้งนะพวกนี้สุดยอดเลย บางคนใจลอย10ครั้งก็คือวันหนึ่งรู้สึกตัวได้10ครั้งวันหนึ่งใจลอยร้อยครั้งรู้สึกตัวได้ร้อยครั้ง จ, จริงมันไม่เปรย์เปรอย่าง น, นี้นะมันมีสมการเหมือนกันนะใจลอยเนี่ยเท่ากับความรู้สึกตัวบวกหนึ่งมีสมการนะแต่หลวงพวมันบวกหนึ่งท่านเลยตัดว่าเท่าๆกันใกล้เคียงกันตื่นขึ้นมาก็ใจลอยแล้วแลนะ้าทั้งวันใจลอยไปเรื่อยๆเราไปรู้สึกตัวครั้งหนึ่งแล้วก็ใจลอยต่อไปจนหลับ ไม่ใจลอยสองครั้งรู้สึกตัวหนึ่งครั้งมีสมการของมันนะไอ้ที่ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อยเต็มทีเลยตื่นขึ้นมาใจลอยก่อนแทบทั้งนั้นนะไอ้ที่จะเท่าเท่ากันเป๊ะๆหายากนะงั้นไปดูนะหาคนชั่วเท่าเรายากถ้าเข้าใจตัวนี้ได้เราจะอาภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะความโกรธความเกลียดอะไรมันจะไม่ค่อยมีหรอกค่อยๆลดลงลดลง ใจที่ไม่โกรธไม่เกลียดก็มีความสุขนะจะค่อยๆมีความสุขมีชีวิตที่สงบสุขใครเข้าใกล้เราเขาก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยเพราะรู้ว่าเราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาไม่เกลิงยกเว้นหลวงพ่อนะใครเข้าใกล้เกลิงหมดเลยะเป็นข้อยกเว้นะคงไม่ได้ว่าหลวงพ่อชั่วเป็นพิเศษหรอกนาะเข้าใกล้แล้วเรกลิงแตวพวกเรากลัวกลัวว่าหลวงพ่อจะรู้ว่าเราชั่วอย่ากลัวเลย กลัวเลยไม่สนใจจะรู้หรอกเหมือนเรื่องธรรมดานั้นรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆรู้สึกตัวรู้ทันความจริงของร่างกายรู้ทันความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆความจริงของร่างกายคือมันทุกข์ทั้งวันเลยหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนทุกทั้งนั้นเลยความจริงของจิตใจก็คือแปรปรวนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรืย สุดท้ายก็รู้นะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราจริงๆมันทิ้งพอทิ้งไปไม่ยึดถือก็นะไม่มีความดิ้นรนยูวโหยอีกแล้วต่เข้าถึงสันติสุขที่อมาตะนะเป็นอมตะธาตาุาอมาตะธรรมสันติสุขตัวเนี้ยสันติตัวเนี้ยเป็นอมาตะอยในพระนิพพานเป็นอมาตะแต่ตัวเราไม่อมาตะใจที่ไปรู้พระนิพพานก็เกิดดับไปนะงั้นนิพพานไม่มีเจ้าของ ไม่ใช่พูดให้เจ้าปรินิพานแล้วก็เอานิพานไปด้วยท่าไม่ได้เอาไปนิพานก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่งแต่ใจที่มันมีความหิวมันไม่เห็นปานิพานก็แค่นั้นเองนะมาฝึกให้ใจหายหิวด้วยการเห็นความจริงบ่อยๆไม่ต้องทำอะไรมากหรอกยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยเดี๋ยวเเห็นทุกข์ในร่างกายนะแล้วก็ทางใจก็ไม่ต้องดูอะไรมากหรอก ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้เอาแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเราก็จะรู้เลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวาฝึกแค่นี้ก็พอละนะไม่ต้องรู้อะไรมากมายนะฝึกไปอย่างนี้ไม่นานนะไม่นานหรอกใจเราจะเปลี่ยนนะเรจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่รู้ด้วยศรัทธาเชื่อเชื่อเอา ศรัทธนะาที่ปุถุชนมีนั้นเป็นศรัทธางมงายนะศรัทธาค่อนข้า ง, งมงายเป็นศรัทธาที่กลับกรอกอย่างบางทีเราก็ศรัทธาพุทธเจ้าแต่ถ้าพุทธเจ้าขัดกับผลประโยชน์เราเมื่อไหร่เราศรัทธาผลประโยชน์ทันทีเลยนะั้นศรัทธาของปุถุชนเนี้ยเชื่อถือยังไม่ได้หรอกพลิกไปพลิกมาเราฝึกจนกระทั่งใจเราเนี้ยศรัทธาแน่นแฟรใ น, นพุทธเจ้าไม่คลอนแคลนนะเรารู้เลยว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆ เรารู้วิธีปฏิบัติว่าทำยังไงใจเราจะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าไม่รู้ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็รู้วิธีเราจะไม่งงง่ายนะไม่ประพฤติปฏิบัติทาแบบง้องงายอีกต่อไปแล้วทุกสิ่งมีเหตุมีผลทั้งสิ้นรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำนะคือศึกษาวิธีทำให้เกิดศีลขึ้นมาแล้วลงมือทำให้เกิดศีลศึกษาวิธีที่จะทำให้มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เกิดสมาธิที่ถูกต้อง ศึกษาวิธีเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนี้วิธีเจริญปัญญา ร, รู้แล้วก็ไปเจริญปัญญาให้ถูกต้องก็คือรู้สึกตัวดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะถ้าเห็นได้ใจจะเข้าถึงสันติสุขพระเจ้าบอกว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะใจเราจะเข้าถึงบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานิพพานก็เป็นความบริสุทธิ์นั่นแหละ เป็นของดีของวิเศษนะของชาวพุทธเราที่จะได้เรียนรู้ที่จริงนิพพานก็ไม่ใช่ของชาวพุทธนิพพานเป็นของกลางแต่พระพุทธเจ้าคนพบวิธีนะคนพบพ น, นิพพานคนพบวิธีปฏิบัติเอามาสอนพวกเราพวกเราที่เชื่อฟังคำสอนของท่านก็เรียกว่าเป็นชาวพุทธขึ้นมากนะ็เรามีโอกาสที่จะได้ของดีของวิเศษนะปูญาตายายฉลาดนะเลือกพระพุทธศาสนามาไว้ในบ้านในเมืองเรา ถ้าปุยยตายายฉลาดขนาด น, นั้นลูกหลานโง่ไม่สนใจ น, นี่เข้าขายโง่โงามา่มากๆเลยนะถ้าวันหนึ่งพระศาสนาหายไปจากประเทศไทยแล้ววันหนึ่งเราอยากจะได้พระศาสนาคืนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเหมือนอย่างที่คนจีนนะคนจีนนะมีศาสนาพุทธแล้ววันหนึ่งมันหายไปเขาต้องมาเรียนที่เมืองไทยอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายกว่าจะมาฝึกภาษาไทยพูดรู้เรื่องไม่ใช่ง่าย รู้เรื่องแล้วต้องลงมือปฏิบัติพวกเราฟังรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ไม่ทำเนี่ยเราส้าหายไปแล้ววันหนึ่งจะต้องไปหาเรียนจากที่อื่นนะลำบากนะลาบากเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปหายไปในมือพวกเราทุกวันนี้สิ่งที่เบียดเบียนทำลายพระพุทธศาสนานั้นเต็มไปหมดเลยนะกระทั่งพระบางคนนะต้องเรียกว่าพระบางคนไม่อยากเรียกบางองค์นะมันดัดแปลงธรรมะของพระเจ้านะ จะตัดพระไตรปิฎกออกอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะนี่เอากิเลสของตัวเองขึ้นมาพูดวีเศษแค่ไหนนะกิเลสยังมีอยู่อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเชื่อพระไตรปิฎกตรงนี้ได้ตรงนี้เชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้หรอกนะมันเกินชั้นเกินภูมิเนี่ยถ้าเราคล้อยตามเราเครือบเคลื่อตามเราก็เชื่อตามนะแล้วเราก็ตัดพระไตรปิฎกทิ้งไป กลุ่มนี้ตัดพระไตรปิฎกตรงนี้ทิ้งอีกกลุ่มหนึ่งตัดอีกส่วนหนึ่งทิ้งไม่นานก็ไม่เหลืออีกพวกหนึ่งจะแก้พระไตรปิฎกบ่าพระไตรปิฎกนี้น้อยไปไม่ไอ้ธรรมะชั้นเลือดเนี่ยไม่มีจะเติมพระไตรปิฎกพวกนี้ทําลายพระสัจธรรมทั้งหมดเลยต้องระวังนะต้องรักษาต้องสืบทอดพระสัทธรรมไว้ให้ดีไม่อย่าปล่อยกิเลสมันครอบงำไปมันจะลากให้เติมพระไตรปิฎกบ้างตัดพระไตรปิฎกบ้างอันตรายมากเลย วันหนึ่งก็สูญหายไปแล้วไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยอันตรายมากเลยทุกวันนี้มีของดีของวิเศษไม่รู้จักรักษานละ้วยังจะทําลายอีกนี่แย่มากนะงั้นทุกวันนี้ต้องรีบนะรีบศึกษารีบปฏิบัติเข้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะดํารงอยู่ในประเทศไทยอีกนานสักเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกอย่าคิดว่าว่าจะอยู่นานนะทุกวันเนี้ยพระน้อยลงเรื่อยๆนะจํานวนพระนี่ลดลงลดล ง, ลงเนนนี่แทบไม่มีแล้วนะ เราลงเรื่อยๆวัดพร้างมากขึ้นเรื่อยๆแต่ของศาสนาอื่นเกิดขึ้นเอยอะแยะเลยตั้งง่ายนะตั้งของศาสนาอื่นตั้งง่ายตั้งวัดเนี่ยแรมปีเลยกว่าจะตั้งได้บางทีหลายๆลายปีทาอะไรข้อลาบากนะรักษาไว้ก็ยิ่งยากงั้นอย่าประมาทนะเทศให้ฟังแล้วไปปฏิบัติเข้ารู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปถือศีลหไว้ด้วยอย่าลืมถือศีลหนะศีลหข้อ รู้จักไหมไม่ต้องให้บอกนะสมัยโบราณพระก็ต้องคอยบอกนะปาณาติปาตาเวรมณีสิฆาปะทางสมาธิยามิเราบว่าตามแปลไม่ออกรับศีลไปห้าข้อแต่ไม่รู้ว่าห้าข้อคืออะไรอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะก็ <c oughs> ต้องรู้ความหมายนะแล้ว เ, เอาไปทําศีลกฐธรรมะไม่ได้มีไว้ฟังเล่นแต่มีเอาไว้ปฏิบัตินะศา ส, สนาพุทธเป็นกรรมวาตถีนะคําสอนของพระเจ้าเนี้ พระุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีนั้นต้องลงมือทําไม่ใช่ฟังเล่นๆไม่ทําอะไรไม่ทําก็ไม่ได้ถ้าทําก็ได้ถ้าทําถูกก็ได้ถูกนะทําผิดก็ได้ผิดทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะหลักของมันมีอยู่ไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องตกใจมี CD ให้ฟังเนี่ยถ้าหา CD ไม่ได้ก็ไปดาวน์โหลดเานาะเขาเรียกอะไรนะั่งไปไปเลยธรรมะ m อม ไม่ใช่ธรรมะ n e t นะธรรมะ com นะต้องจำผิดยี่ห้อไม่ได้นะเป็นคนละโลกเลยยังมีธรรมะ o r g แล้วมีหลายหลายหลายโก๊กนะนะอ่ะแล้วพอสมควรแก่เวลาใครมีกันบ้านจะถามไปหาคือต้องซื้อแล่สิ่งของออนไลน์ที่มีเป็นว่า รกนอ้ฟังอ hmm. th ยู s <S <t <t <t ah ah ่ก ah> ็ร ah ู้สึกว่าก็เท่เเดียวรือคเเวเรื่องเดียวหละนะเท่ที่ไหนก็เท่เดียวเรื่องเดียวนี้แหละมันก็เหมือนกันทุกเล่มนะซีดีก็เหมือนกันทุกแผ่นนะเออนั่นแหละเพราะอะไรอ่ะ เพรในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวยากนะในโลกมันมีแต่คนหลงงั้นต้องประกาศเปล่าๆชวนให้คนรู้สึกตัวในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกหลงกันตลอดเวลาหลงโลกถ้ารู้สึกตัวไม่ได้จะมาพัฒนาตัวเองได้ยังไงมาเรียนรู้ตัวเองทำความรู้จักตัวเองมันถึงพัฒนาตัวเองได้สังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนมันไม่เหมือนกันดูออกหรือเปล่า หรือเหมือนเดิมหรือออกครับนะภาณนาอย่างนี้ก็ดีนะภาวนาอย่างนี้ใช้ได้หาข้อต่อไปครับาสนใจความรู้สึกตัวเองการสังเกตคามรู้สึกตัวเอคารู้สึกนั้นใช่สิเดียวหรืสิเดียวทุกจิตไม่ไม่ใช่ ควารู้สึกเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือคนที่ไปรู้อารมณ์แต่ว่าเมื่อไรมีจิตเมื่อ น, นั้นต้องมีอารมณ์นะจิตจะอยู่โดดๆ โ, โดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้อารมณ์จะอยู่โดดๆ โ, โดยไม่มีจิตก็ไม่ได้จิตกับอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยกันดับไปด้วยกันงั้นเราคอยรู้เท่าทันมันเห็นความรู้สึกสุขขึ้นมา เรารู้ว่ามีความสุขความสุขเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะกลายเป็นจิตเฉยเฉยของยอมอยากคิดเยอะนะคอยรู้ทันความรู้สึกไปสบายๆรู้ก็รู้เป็นอยู่แล้วละเวลารู้แล้วหน้ามันใสนะหน้าตามจะผ่องใสขึ้นมาใจมันสบายใจมันคลายออกถ้าเรารู้ไม่ทันนะใจมีขโมดเข้าไปเครียดเครียดไม่มีความสุขไปทำมามไป ไม่ได้มีปัญหานักหรอกครเข้าใจไปว่าการมีความสึขเราเรียกว่าดูจิตถูกแต่หลวบอกว่าเป็นการดูอารมณ์อารยธรรมว่าดูจิตดูจิตนั่นแหละรู้ทันความรู้สึกของตัวเองแต่ผมก็เข้าใจว่ามันจะเป็นอารมณ์แต่ ก, ตก็ดูตัวจิตแน่นอนถูกจิตกับอารมณ์ต้องเกิดพร้อมกันใช่ดูถูกแล้วหลวงพ่อถือไม่ค่อยอยากคุยกับคุณเท่าไหร่หรอกไม่ได้มีปัญหาอะไรนักหรอกมี <c oughs> ว่าอ่านสื่อหพอเยอะมากเลยดูของจริงก็พ่อพูแต่เรื่องความรู้สึกอย่างเดียวนั่นแหละดูไปแล้วจะเห็นนะทุกอย่างชั่วคราวสรุปแล้วขอเป็ประเด็นว่าการสนใจดูความรู้สึกก็คือสิ่งที่เรียกว่าดูจิตถูกถูกไปมเลยบางคนหน้าไปคิดว่าดูจิตคือดูจิตนะดูจิตไม่ได้ดูจิต มันเป็นแค่ภาษาเท่านั้นเองภาษาตัวนี้าานครูบาอาจารย์ท่านใช้มาหลวงพก็เลยใช้ต่อแต่ในความเป็นจริงที่ท่านสอนนะไม่ได้ดูตัวจิตหรอกนะท่านดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตเวลาจิตกระทบอารมณ์นะมีความรู้สึกเกิดขึ้นทําไมต้องไม่ดูที่ตัวความรู้สึกเพราะจิตไม่มีร่องรอยอะไรให้ดูเลยจิตมันไม่มีรูปร่างเป็นอรูปมันไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้ดูได้เลยนะ แล้วเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะดูผ่านเจตสิกดูผ่านจิตที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นมีความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขดับไปเนะี่ยจิตที่สุขจิตที่นะเคยสุขเนี่ยก็ดับไปเนี่ยจะดูผ่านอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ใช่หลวงปู่ดุลิดเองด้วยนะหลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ดุลมาแบบนี้บางคนคิดว่าดูจิตคือดูจิตมันไม่ใช่หรอกนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลบอกว่า สเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนี่แหลนะเป็นของไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาหน้าตาสิ่งนะที่เป็นความปรุงแต่งแล้วสัญญาความจําได้ไหมายรู้ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนมันทํางานได้เองเนี่ยหลวงปูดูลมาได้รับคําสอนอันนี้มากนะ็ามาดู ดูอะไรก็ดูสังขารดูสัญญามันทำงานนั่นแหละถ้าจะให้เต็มยศของการดูจิตดูใจนะยิ่มีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อีกตัวหนึ่งก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยท่านมาดูอย่างนี้ไม่นานท่านก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาแล้วเอามาสอนนี่พวกเราได้ยินคําว่าดูจิตดูจิตเราเลยคิดว่าดูตัวจิตไม่ได้ดูตัวจิตหรอกจิตไม่มีอะไรให้ดูหลวงปู่ดูสอนอย่างนี้เลยนะจิตไม่มีร่องรอยให้ดู กระทั่งตอนที่บรรูุ้อริยามารรยาผลนะเข้าถึงจิตแท้ทำแท้นะจิตเนีย่ยแสดงตัวออกมาด้วยความเบิกบานนะสแสดงความมีอยู่ด้วยความเบิกบานมันไม่มีร่องรอยไม่มีตัวของมันเะนะงั้น ท, ที่คุณเข้าใจแนละ้วเข้าใจถูกแล้วละ่ะแต่อย่าคิดเอานะดูของจริงเยอะๆเยอะอ่ะคนต่อไปมาตุกัดกผมได้ฟังเสียงพ่อมามา สาสิบปีแต่ไม่เคยต่้พบตัวจริงก็ทุกข์หลวงทั่งนั่งมีอยู่ทั้งหนึ่งุมเดินก็ไปแล้วก็ไปอรียตื่ในที่นอนครับนะับมันเจอจักรวิญญาณดวงวเข้าไปอลเข้าไปอินในนอนรับแต่แล้วภาพที่เห็นก็หายไปเลยกลับไปรากดที่มโนวิญญาณเออถูก อือืมแต่แล้วนี่อืมสุรัฒนมันก็เพื่อนอืมัวามะเพื่อจักสื่อวิญญาณจะทางานต่ออืมแตคราวนีขึ้นวิธีใหม่นะแต่คราวนี้แทนที่จะเป็นาพานาราธันนี้มันเห็นเป็นเม็ดสีเม็ดสีเมเต็มอืมอืมนั่นแหละรูปตัวจริงของมันสุรพัฒนมันก็เหลือไปกันแค่เห็นวัวโชัวร์ที่ข้างข้างอืม แล้ก mm. ็จะเข้าไปอินเนื้อเรื่องแล้วก็ขอลงมาอขาเป็นขั้นขั้นตอแรกจะเข้าปเป็นเนื้อเรื่องแล้วขอลงมาเห็นเป็นภาษาภาอังกฤษแล้วกขอลงมาอีกเห็นเป็นแค่เปื้อนสีตูแล้วเป็นสีถูกเปื้อนสีหลันอันพอแล้วก็ืออะไรอิโตชวลมีการเมืนกันทุกอย่างเพ่จะเข้าไปกินแล้วขอลังมาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เห็นเป็นเปื้อนสี ละจิตทาอนั้นการนี้มันแล้วเดิดไปเกูรู้กำลังโตอยู่แต่ว่าอันนี้มันก็เรารอิ่มนะเราพกใจนะมันเกิดามตอนมาแล้วก็ความรูนี้มัเกิดขึ้นว่าออการที่ถ้าเเห็นผู้ิแกท่าแล้วไม่แย่ลงก็เพราะการนี้ก็เกิด มีความสว่าต อ, อที่สังขาเรื่องนี้เกิดสมุทรจะไล่ข้าวฟางไม่ชราบมันเก อ, อะไรมันก็คือเรื่องของวิธีจิตนั่นแหละเรียนอภิธรรมรือล่าคือตอนแรกเนี่ยเคยฟอาจารย์จุตจินเมื่อปีนึงอืมแล้วก็กออกไม่ได้ฟังเลยเพราะดูเร่องเออนั่นแหละไปฟังใหม่แล้วจะรเรื่องว่าทว่านี้เกิดป ได้ความเขา้าใจจริงเข้าใจทุกอยาก่างนั่นแหละง่ายไม่ยากนะกลารทําง่ายเลยครับถ <c oughs> าไมง่ายอ่ะเพราะว่าเราเห็นสภาวะแล้วพอเราเห็นสภาวะนะัเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกระบวนการทํางานนะเห็นวิธีจิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ของเห็นเห็นอยู่มันก็ง่ายแต่ก่อนเนี้ยจําแต่ชื่อไม่เคยเห็นของจริงมันก็ยากเดี๋ยวนี้มีนะสํานักอภิธรรมหลายแห่งก่อนจะเรียนอภิธรรมเนี้ยแจกซีดีของหลวงพอ่อก่อน ให้ไปฟังซีดีอยู่ช่วงหนึ่งนะพอเห็นสภาวะแล้วเนี่ยมาเรียนอพิยธรรมแล้วเรียนง่ายนะทำมากก็ต้องลงด้วยกันได้หมดแร้มันไม่ขัดกันหรอกอยาวแต่เรียนนะดูดิเลตไว้ <c oughs> <c oughs> อาให้คนอื่นบ้างกราบนมรส ก, การพระอาจารย์หลวงพอ่อโยมฟังเทปพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นเวลาสิบปีแต่ไม่เคย ได้มาเจอวันนี้เป็นโอกาสที่ดีโยมพึ่งไปปฏิบัติธรรมกลับมาพอดีอพอดีกาลยานามิตรโทรมามเมื่อสิบ ป, ปีก่อนโยมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้ฟังเทป พ, พระอาจารย์หลวงพ่อเพราะว่าช่วงนั้นโยมมีทุกข์หนักเกี่ยวกับลูกสาวซึ่งกำลังเป็นวัยรุ่นพ่อฟังเทป พ, พระอาจารย์หลงพ่อบอกว่า ทุกมากแล้วถ้าเราทำใจเราปฏิบัติฟังพระอา<ม>จารย์หลวงพ่อให้ดีทุกจะน้อยลง<ม>และน้อยลง<ม>ในที่สุดโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์หลงพอ่อจนได้ว่าทุกนั้นน้อยลงจริงๆโดย<ม>ที่ไม่ได้เจอพระอาจารย์หลงพ่อเลย<ม>แต่ฟังจากเทปดาวน์โหลดลงมาและในปัจจุบันโยมก็หมดความทุกขนั้น และผลสุดท้ายก็คือโยมได้ปฏิบัติหรือจัดการกับลูกจนกลายเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้โยมขอกราบขอพระคุณพระจ้าหลวงพ่อที่สอนผ่านธรรมะ c o m โดยที่คนทั่วโลกที่เขาไม่รู้จักและได้ฟังธรรมะขอโยมขออนุโมทนาบุญและขอบุญกุศล ที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้สร้างมาโปรดนำให้พระอาจารย์หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงในโอกาสนี้ด้วยก่ะสาธุที่จริงนะไม่ว่าธรรมาธิดออมไม่ว่าซีดี u t u b e หลวงพ่อทำไม่เป็นหรอกเนี่ยพวกนี้เขาทำกันทีมอาสาสมัครนะไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีค่าตอบแทนอะไรทั้งสิ้นเลยที่ทำกันทำด้วยใจที่จะแทนคุณพระพุทธเจ้า แต่ละคนนะบางทีวิ่งตามหลวงพ่อไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะค่าลูบินเขาจ่ายเองเหมือนกับว่าไม่ค่อยทำงานเลย ไ, ไหนก็เจอไม่ไปถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรเนะยเอามาเผยแพร่เขาทำกันด้วยใจลังลำพังหลวงพ่อทำเองไม่เป็นหรอกงานของพระพุทธเจ้านชาวพุทธต้องช่วยกันเป็นหน้าที่ของทุกคน แต่ก่อนอื่นต้องเรียนให้รู้เรื่องก่อนไม่งั้นเรานึกว่าเราทาถวายพุทธเจ้าที่แท้ถวายเทวทัตก็ได้นะไม่แน่หรอกต้องเรียนให้รู้เรื่องสักก่อนเอาต่อไปการการค้นหาที่เป็นผู้นายารเกิดคงเส้นสังเกตไหมใจเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นไหมตอนนี้ใจใจอยู่กับตัวเองหรือใจอยู่ข้างนอก เห็นไหมใจอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเรารู้ทันอย่างเนี้ยรู้ทันอย่างที่มันเป็นนะใจเราเดี๋ยวนี้กับแตกรไม่เหมือนกันเพราะใจเราเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวใจแต่ก่อนของเราลงทั้งวันนะเมื่อใจรู้สึกตัวเป็นแล้วเรารู้สึกไหมว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันลองยิ้มสิเห็นไหมร่างกายมันยิ้มนใจมันเป็นคนรู้สึกเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกกายกับใจนี้ก็คนละอันกัน ความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็เป็นโคลานกันความสุขความทุกข์ความดีความชั่วกับใจก็เป็นโคลานอันนี้เคยเห็นไหมเช่นมันโกรธเดี๋ยวมันก็หายโกรธมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะนั่นแหละไปฝึกอย่างนั้นแหละแต่จุดสำคัญคือใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ใจมาอยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้นะ <c oughs> ใจมันออกนอกนันงวพ่อ พอเพิ่จเจี่นีอาไปซีดค่ะตอนนี้ ร, าารักษาสี่ห้าอยู่โอ้ดีจังค่ะแล้วก็วก็เพื่อทําในรูปแบบอ่ะค่ะแล้วก็เดินจงกรมไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่เพราะไม่มีเวลาตอนนี้เลี้ยงลูกเจ็ดขวบกันหนึ่งขวบอยู่แล้วก็ทํางานด้วยก็เลยไม่ทราบว่าจะทําแบบเต็มที่ได้ยังไงอะค่ะมันก็เต็มที่แล้วนะเต็มที่เท่าที่เราทําได้เลี้ยงลูกไปเราก็พอนาได้นะ เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราเวลาเราเห็นลูกเราแต่ละครั้งความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยรู้สึกไหมค่ะใช่นั่นแหละฉลาดนะเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วไปมาแล้วไปนะค่ะแล้วกรทั่งความทุกขทั้งหลายก็เหมือนกันเนะ่ยมาแล้วก็ไปค่ะแล้วตอนนี้มิซาวะรู้ตื่นบา้างแลหรือย<ะ>ังคะรู้ตื่นบา้างแล้วยังคะเกินตื่นแล้ว มันแยกขันได้แล้วแยกรูปนามได้อ๋อรู้สึกตัวรู้สึกไ้มทั้งกายกับใจเป็นโคนละอันกันค่ะเป็นบางครั้งค่ะเออนั่นแหละมันมันแยกได้เป็นคราวๆนะเพราะเราเริ่มแยกได้เนี่ยต่อไปการเจริญปัญญาจะไม่ยากะเราจะเห็นว่ารูปทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดนหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้คนามาทําทั้งหลายก็เหมือนกันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปค ทีนี้คำถามสุดท้ายว่าจะเลี้ยงลูกแล้วก็จะสอนลูกยังไงให้ให้เป็นชาวพุทธที่ดีอะคะ่ะเนี่ยเปิดซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆให้มได้ยินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวดีเองอะ <c oughs> บางบ้านนะขึ้นรถปุ๊บเปิดซีดีลูกเล็กๆก็นั่งอยู่ด้วยไม่นึกนะว่าลูกจะรู้เรื่องพ่อแม่ก็เปิดจ ะ, จะฟังเองอะเอขับรถไปแล้วโมโหลูกก็บอกแม่แม่โกรธแล้วรู้ไหมแม่ แม่แมันแสบจริงเลยนน้นมันเข้าใจนะเด็กมันรู้ทันนะ้หนูเปิดซีดีไปอย่าไปเชี่ยวเข็นเด็กนะอย่าไปบังคับเด็กไม่ชอบบังคับเราเราทำให้เขาเห็นปฏิบัติให้เขาดูดีดีกว่าพูดเฉยเยที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะเรียกรูปนามได้ต่อไปก็ดูรูปนามแสดงใจรักไปเรื่อย ขอบพระคุณมากค่ะนมัส ก, กา ร, ร, รกับหลวงพ่อก็ผมอยู่ที่อเมริกานะครับก็พอดีมาเยี่ยมญาติแล้วก็เยี่ยมเพื่อนที่นี่ก็พอดีบอกว่าหลวงพ่อมาที่นี่ก็ดีใจได้มามก็คือผมก็ฝึกมาทางด้านเพลงนะครับไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่วอกแวกนั่งสมาธิสิบนาทีวอกแวกไปสิ่ห้าครั้ง เพื่อนก็ถามมาสี่ห้าครั้งเองหลยก็เลยเออผมก็งงนะว่าทําไมถามอย่างงั้นก็เลยแนะนําให้รู้จักทางภาวนาของหลวงพ่อกลับไปอเมริกาก็ไปเข้าเว็บไซต์เราฟังมาประมาณปีหนึ่งนะครับปีนี้ก็มาเยี่ยมอีกอันนี้ก็คือผมก็ปฏิบัติได้บ้างแบบเบื้องต้นได้บ้างเสียบ้างทางภาษาคนเริ่มต้นเริ่มต้นเราก็ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนนะ อันนี้คาถามที่ที่ที่อยากจะถามหลวงพ่อก็คือเมื่อกี้ก็เมื่อกี้หลวงพ่อก็ตอบไปสักพักหนึ่งนะฮะของคนลุงหน้าคือเคยเอาลูกไปลูกสาวกับลูกชายไปฝึกทางด้านเพลงเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ชอบเลยออพอกลับไปผมก็ฝึกพอเข้าใจหลักการบ้างผมก็สอนลูกชายว่าที่ปฏิบัติมาไม่ใช่ให้ปฏิบัติแบบลูกศึกยล้วเรารู้ตัวอะไรเนี้ยก็ ค่อยๆทีล่นนิดๆหน่อยๆเขาก็เริ่มเข้าใจเขาเขาบอกอู้อย่างนี้ง่ายกว่าอืง่ายกว่าแล้วก็พอเข้าใจแต่ว่าพอทําได้สักพักหนึ่งเขาก็เลิกสนใจไปก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าทำไงให้เขาสนใจกลับมา <Okay. S 2> สนใจหรือปฏิบัติต่อท่นนี้สําหรับลูกสาวที่ยังไม่ได้มาสนใจทางด้านนี้คือคือเข้าใจทางด้านเพลงอยู่จะเริ่มแนะนําให้เขาปฏิบัติได้ยังไง ก็ได้อย่างที่แนะนั่นแหละใช้ไดนะ้แต่ธรรมชาติของเด็กอะช่วงวัยรุ่นนะบางทีก็ลืมธรรมะไปช่วงหนึ่งนะเป็นปกติมันเป็นช่วงที่เขาต้องสนใจโลกข้างนอกมากบางทีเขาก็เพลินแล้วเขาจะเชื่อเพื่อนอันนั้นเป็นธรรมชาติแต่ว่าพออย่างเราเคยสอนเท่าไว้แต่เด็กนะแล้ววัยรุ่นเนี่ยเขาเขาลืมไปพอโตขึ้นเวลาเขามีปัญหามีอะไรบางทีเขารอลึกขึ้นมาได้อีกกลับมาปฏิบัตินะ เราช่วยได้ขนาดนั้นแล้วสั่งเขาไม่ได้หรอกขอบพระคุณครับการนมันสการหลวงพ่อคะ่ะหนูอยากจะถามเพื่อเป็นแนวทางกับการที่หนูจะเอาไปใช้คือการำดำรงชีวิตในประจำวันหนูทำงานประจำอยู่แต่บางครั้งหนูได้เจอเรื่องที่เข้ามาถึงตัวเองในลักษณะที่ บางครั้งหนูก็ไม่สามารถที่จะทนกับความรู้สึกตรงนั้นไหวแต่หนูพยายามที่จะนิ่งหรือเดินจากไปณจุดจุดนั้นเพื่อที่จะหนูจะได้เกิดความสงบแล้วหนูได้กลับเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะทําให้นิ่งลงนี่แสดงว่าหนูเนี่ยรู้จิตตัวเองหรือยังคะหรือหนูหนีปัญหาณจุดจุดนั้นคือการหัดทำวิปัสสนากรรมฐานน ะ, ะเราจะรู้สภาวธรรม รู้ประามนามธรรมนะที่ปรากฏอยู่แล้วก็รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของเขา <Okay. S 1> แต่อย่างเราประทะอย่างเนี้ยแล้วเราทนไม่ไหวเราหนีไปก่อนอนั่นเป็นครเราอุบายเอาตัวรอดก่อน หนูพยายามที่จะทําถูกแล้วค่ะหนูพยายามที่จะเลี่ยงสิ่งต่างๆที่เข้ามาลุมเร้าในตัวหนูซึ่งหนูอาจจะเจอทุกวันกับคนที่อาจจะไม่เข้าใจกับความรู้สึกหนูอาจจะไม่เข้าใจกับความรู้สึกของเขาแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจกับความรู้สึกของหนูหนูก็พยายามที่จะดับแล้วก็รีบเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วแต่หนูไม่ได้หนีไปไหนนะคะหนูกลับมานะจุดจุดเดิม แล้วบางทีบางทีหนูก็ยังสงสัยอยู่ตอนที่สู้ไม่ได้ก็ถอยไปก่อนมีแรงแล้วกลับมาสู้ใหม่ค่ะนะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ว่าสู้แต่บีต้ตะบันนะ <c oughs> อย่างบางทีท่านทุดดงไปอย่างเงี้ยแต่ใหม่ท่านหนุ่มๆองค์บางองค์นะเล่าประวัติทุดดองไปเจอสาวสวยอนะ่ะดู ย, ยังไงจิตก็ไม่ลงละจิตมีราคารุนแรงนะท่านก็ใช้วิธีนี้นะแกดโกรดแบบดย่ามหนีไปอยู่ที่อื่นนะ แต่บางองค์ก็กำจัดสรร น, นะนางผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่งไปเจอจนได้ศึกไปเลยก็มีนะะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเป็นนักต่อสู้ไม่รู้จกักหนีนะช่วงไหนสู้ไม่ได้ก็ถอยไปก่อนแต่ถอยมาตั้งหลักไม่ใช่ถอยตลอดชาติใช่ค่ะหนูพยายามที่จะถอยมาตั้งหนูเอาขอที่ดีกับหนูไปใช้ดีกว่าหลวงพ่อจะให้ไว้เป็นของส่วนตัวนะค่ะหลวงพ่อหนูดูเวลาที่ใจมีโทสะเกิดขึ้นเนะี่ยมันมีความทุกข์เกิดขึ้นด้วย ดูเรามาเลยคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราใจเนี่ยมันปรุงความทุกข์ขึ้นมาเองแล้วมันก็เวลามีโทสะขึ้นที่ไรนะความทุกข์มาทุกทีเลยเนี่ยสังเกตไปได้วยเลยต่อไปใจมันจะไม่อยากมีโทสะไม่รู้จะโกรธทําไมไม่รู้จะหงุดหงิดทําไมนะพราโกรธเที่มาที่ไรเราเองก็ทุกทุกทีค่อยๆฝึกไปนะแล้วสงสารใจตัวเองบ้างเมตตามันบ้าง อ่อนโยนกับมันบ้างค่อยๆฝึกนะใจมันจะได้มีความสุขขึ้นเงั้นใจหนูถูกโทสะครอบงำเนืองๆมันทุกข์น่าสงสารดูมันไปดูมันน่าสงสารไปนะค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะจะได้สบายๆขึ้นค่ะ่าธุค่ะหลวงพ่อลองรับพรนะเหยาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารัง เอวะเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามนิโชติระโสยัทาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อาพิวาทนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโนจตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขขังภะลังไปภาวนานะเพื่อตัวเองนะไปทำเข้าไม่ภาวนาก็ไม่ได้อะไรหรอก